นะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัตนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมา สัมปุทษานิพพินังวัประวั ต, ตารังยัมปเสวัชชทัศนังนิทัยหวาทิงเมธาวินตาทิสังปันติดำเพชตาทิสังพระชมาณสา ไดโยบโุตรณปาปิโยติณวัดที่จะได้แสดงพระธรรมวจีศาสนาในโบรณาณคาถาปราโรกถึงวันโบราคือวันนี้อันเป็นวันสำคัญวั น, นึ่ง ของพุทธศาสนิกชนที่ว่าสำคัญนั้นสำคัญอย่างไรจะแต่อาธาิบายขยายกว่าในโอการต่อไปในื้องต้นของอนุโมทนาท่านสาธุชนซึ่งได้มาประชุมพร้อมกันอยู่ณที่แห่งนี้เพื่อเพิ่มภูมิความดีให้แก่ชีวิต ชีวิตองคนต้องมีความดีเป็นเค้นประดับให้สมกับโบราณที่ท่านกล่าวไว้ว่าเกิดเป็นคนอย่าให้จนความดีเกิดมาทันทีต้องให้มีดีติดตนทำอย่างไรดีถึงจะติดตนทำอย่างไรจึงจะเป็นคนไม่จนความดี ก็ทําอย่างที่ท่านทั้งหลายทำอยู่หน้าแบบนี้คือฟังธรรมหาความรู้บังเป็นฐานเจือจางแก่ผู้อย่างไรและเราต้องประคองจิตใจให้มีสินธรผู้ใดใครตัวขึ้นเช่นนี้ความดีก็เกิดขึ้นผู้ใดไม่กระพื้เช่นนี้ความดีก็มี น, อน้อย ดังนั้นจึงขออนุมโมทนาท่านสาธุชนผู้มีใจเป็นกุศลได้พาตนเข้ามาบำเพ็ญคุณานความดีเป็นประจำทุกวันพระครบสามเดือนวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแห่งการจับภรรษาของพระภิกษุสามเี วันนี้บางทีก็รีบเกินว่าเป็นวันออกพรรษาแต่วันออกพรรษาจริงๆเนี่ยไม่ใช่วันนี้จะต้องออกในวันพรุ่งนี้คืนนี้ถ้ายังออกจากวัดไปต้างที่ไหนไม่ได้จะต้องอยู่ในวัดต่อไปอีกหนึ่งคืนตลอดพรรษาสามเดือนท่านสาธิชนบางท่าน ได้มาฟังธรรมเป็นประจำทุกวันพระเดือนหนึ่งมีอยู่กี่วันพระโยมคงจำได้มีอยู่สี่วันพระโยมที่คุณวัดตอบได้แต่โยมที่หันไควัดไม่รู้เลยว่าเดือนหนึ่งมีกี่วันพระเห็นเขาถามในปริศนา้าแรกของเวิร์ดอยถามเด็กว่าเดือนหนึ่งมีกี่วันพระ เด็กต่อก็มีสามวันพรมีห้าวันพรแสดงว่าเด็กคนนั้นไม่เคยฟังธรรมะหรือไม่เคยฟังพ่อแม่บอกเล่ากล่าวขานที้แต่มีเด็กตัว น, น้อยบางคนอายุแค่ประมาณห้าขวบหกขวบอาราธนาศีลอาราธนาธรรมแล้วพูดธรรมะธรรมโมได้แข่งพวกท่านด้วยมีบางคนนี่แะ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการเพิ่มปูการเารสเวงหาฝารู้เหมือนกันด <c oughs> ึงเดือนสี่วันคราปลาผลว่าบางท่านไม่เคยละเว้นมาสวดมนต์มาฟังธรรมมาบำเพ็ญทานตั้งอกตั้งใจรักษาศีลเห็นจนจินตาหน้านมโมทนาเป็นอย่างนี้วันพระนีเป็นวันหยุด ง, งาน พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ชาวพุทธของเราหยุดงานทุกวันบ้างที่บอกว่าวันโกนต้องละวันปั้นต้องเว้นคือหมายความว่าละงานเว้นงานวางงานบ้างอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยหมุนไปกับงานตลอดเวลาถ้าทำอย่างนั้นแล้วชีวิตจะอยู่กับความเร่งรีบเพื่อชีวิตมีความเร่งรีบมีความเร่รา ร, ร้อน ชีวิตก็มีความทุกข์มีความเครียดปัจจุบันนี้โรคเครียดเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดยงรู้ไหมโรคอย่างอื่นไม่น่ากลัวเท่ากับโรคเครียดบางคนนี่มีเงินมีทองมากมายไ ก, ยก่กรห้องประฏิษฐ์แง่ค น, นิชั่นจะไปไหนมาไหนก็นั่งรถฉันดีมีคนบริการสารพัดทุกอย่าง ขึ้นบ้านใหม่อาตจจมาไปประพรมน้ำทุกธมดเข้าไปในห้องต่างๆเห็นสิ่งต่างๆมูหรามากมายแล้วไปประพรมที่ประตูห้องน้ำเห็นกวัวจยาตั้งอยู่เป็นแถวเลยทีดเดียวน้าประจบถามว่ายงยาอะไรมากมายเนี่ยโยก็บอกว่ายาแก้เทรียดครับ กลัวว่าจะลืมเข้าห้องน้ำต้องทานยาแก้เพียบแล้วลองนึกดูีิว่าโรคเรียดมันน่ากลัวขนาดไหนห้องน้ำเป็นห้องสุขขาเป็นห้องที่มีความสุขแต่ที่ไหนได้มียาแก้โรคเรียดตั้งเป็นแถวคิดเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไม่ยอมอยู่นะไม่ยอมปล่อยวางเจ็ดวันน่าจะทําใจให้ว่างจากสิ่งต่างๆ ไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมันมารบกรุงใจทำให้จิตใจมีความยุ่งเมื่อจิตใจมีความยุ่งมากขึ้นปัญหาปางเพศก็ตามมาปล่อยให้ยุ่งแล้วมันแย่แก่มัยากยิ่งยุ่งมากแล้วยิ่งแย่แก้ไม่ไหวปล่อยให้ยุ่งนุ่มนักจะนักใจจงแก้ไขอย่าให้ยุ่งนุ่มนักเลยวิธีการแก้ไข ก็คือตัดสิ่งที่ห่วงใหญ่อย่างในน้อยอาทิตย์ละหนึ่ครั้งเป็นการชำชระชะล้างจิตใจของเราเนี่ยให้แจ่มใสให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกเหมือนกับการอาบน้ำาถ้าเกิดว่าระอาบน้ำอาทิตย์ละสักหนึ่งวันก็ยังดีกว่าดีกว่าปล่อยไปเป็นเดือนเป็นปีไม่อาบน้ำนเลย ก็ทําให้ร่างกายมีความสง บ, บข้อนี้ฉันใจจิตใจของคนเราก็เหมือนกันจะต้องมีการชําระฉากร้างทําความสะอาดทําให้จิตของเรานั้นมีความโปรงใสเมื่อจิตมีความโปรงใสความสบายก็มาถึงร่างกายเพราะว่ากายกับใจอาศัยซึ่งกันอยู่เราต้องรู้ว่ามันต่างกันหา มันต่างกันอย่างไรต่างกันตรงที่ว่าจิตใจนั้นมันเป็นต้นตอแห่งความสุขและเป็นต้นตอแห่งความทุกข์ที่พวเรามีทุกข์มีความเคร่นเครียนก็เพราะว่าจิตใจนั้นมันมีเรื่องจุ้งมีเรื่องกระตุน้นทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความกังวลมากมายรวมความว่าการที่ท่านสาธุชนทั้งหลาย เข้าวัดเป็นประจําทุกวันพระหนึ่งพรรษาสามเดือนวันตานี้ก็เป็นวันพระสุดท้ายของการจำพรรษาพระเรียกกันว่าวันมหาโอรรณาแก่ชาวบ้านเรียกวันนี้ว่าเป็นวันออกพรรษาที่ว่าออกพรรษาก็หมายถึงว่าจะได้ออกจากการรักษาศีลออกจากการฟังธรรมออกจากการเจริญภาวนา มีบางคนนะพอถึงวันนี้ก็ให้รู้สึกวีใจนะัดตัวพวกเพื่อนฝูงมาที่บ้านว่าวันนี้ออกพัรษาแล้วนะจะต้องฉลองออกพัรษากันหน่อยแล้วก็ฉลองกันเปลีแปลงตั้งวงดื่มเหล้ากันใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ลูกหลานก็ถามว่าพ่อทําไมวันนี้ต้องดื่มมากมายอ้าก <c oughs> ก็ฉลองวันออกพัรษาอย่างไรอ่า ว่างเว้นไปต้องสารเรือแล้วฉะนั้นวันนี้จะต้องคิดบัญชีทบต้นกันหน่อยพูดบอกลูกหลานไปสนองนะลูกหลานก็เลยจำสืบสื่อต่อไปมาความจริงแล้วออกพรรษาไม่ได้หมายถึงการออกจากความดีในวงการของพระเนรเวลาออกพรรษาท่านก็ไม่ได้ดีใจว่าท่านจะออกพรรษาแต่ท่านรู้สึกว่าตั้งแต่ปัจจบันนี้เป็นต้นไป ท่นจะต้องแยกย้ายจากกันไปทําประโยชน์ตามที่ต่างๆไปทําจิตของสงฆ์จิตของสงฆ์มีอะไรบ้างที่สําคัญเบื้องต้นมีอยูดด่สองจิตกันเรียกกันว่าธุระคันธุระ ก, ก็คือไปสอนไปเรียนวิปัสนาธุระ ก, ก็คือว่าไปแนะนําในเรื่องการปฏิบัติจากที่มีโครงการ สอนสมถะเรื่องปััชนาตามภูมิภาคต่างๆกระจายกันทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นขึ้นเหนือลงใต้ไปแถว้าคอีสานมุ่งไปตามหมู่บ้านแล้วบังรูปออกตั้งอกตั้งใจว่าพอรับปฏิณธแม้ก็จะออกทุโลมตั้งใจอย่างนี้ฉะนั้นออกอันษาไม่ได้แปลวางหมายว่าออกจากฝันตี เราจะต้องทำความดีกันต่อไปถ้าออกพรรษาหมายถึงการออกจากความดีก็แสดงว่าคนเราทาความดีแค่สามเดือนอีกเก้าเดือนนั้นไม่ทำความดีใดๆอย่างนี้สังคมก็จะไปมรอดแต่ว่าญาติโยมสัติชนชาววัดปิยโรไม่เคยออกจากความดีแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันออกพรรษา แต่ก็ยังตั้งจิตเจตนาเพิ่มปูปปนคุณกุศลต่อไปให้เรื่อยตั้งแต่เดิอนเส็จกลางเดินที่เป็นต้นไปก็จะมีพิธีทอดกระถินแต่นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกทุกโหรก็จะเสด็จทอดกระถินต่างวัดต่างๆเมื่อก่อนที่ในหลวงยังทรงทรชนมนชีพอยู่นั้น ในขณะที่มีพระรกายแข็งแรงจะเสด็จทอดกระถิ่นด้วยพระองค์เองซึ่งสอนวัดจะทอดก่อนประชาชนและพี่น้องประชาชนชาวไทยใจรุ่งใจดุศษณ์จะถือกันว่าถ้าจะทอดกรถิน่นต้องให้ในหลวงทอดกรถิ่นก่อนเรียกกันว่าพระกระถิ่นต้นถ้าในหลวงยังไม่เสด็จทอดกรถินวัดใหญ่ๆวัดหนึ่งวัดใด เราก็จะไม่ทอดกระถินในช่วงนั้นแต่ต่อมาหลังๆที่ไม่ได้สนแลนหละไม่หลวงก็เสด็จไปเสด็จออกพรรษาก็ทอดก็มีอย่างวันทุ่งนี้ตัดบาทเทวเสร็จแล้วก็ทอดก็มีก็คือว่าทําไปด้วยความคิดด้วยความตั้งใจของตัวเองแต่มีบางท่านเนี่ยเคารพสถาบันเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เคารพวัฒนธรรมระเบียดีถือว่าการทอดกระถิ่นนี่เป็นการทำความดีหนไหนจะทำความดีต้องทำดีให้ครบถ้วนดีทั้งเบื้องต้นท่ามการและที่สุดไม่ปล่อยให้ความดีมันว่ำมันเว่งจะต้องให้เป็นดีเต็มไม่ดีบนเสียบางท่านก็คิดสนองที้ก็รอวันในหลวงเสเด็จทอดพระกระถินต้นเสร็จเมื่ อ, อไหร่ ก็เป็นโอกาสที่กเราทั้งหลายจะได้ถวายกระทินเหมือนนั้นท่า น, นออกพรรษาและไปทอดกระถิ่นกันท่านสาธุชนตั้งใจจะไปทอดกระถิ่นวัดไหนก็รักษาความตังงง้งใจเอาไว้ให้ดีอย่าให้เลือล่อล้มความตั้งใจเสียก่อนเหมือนกับเราทําความดีมาตลอดพรรษาทํามาได้จนถึงวันนี้ถือว่าชนะแล้วนะ เราชนะใจตัวเองเราแล้ ว, ลวเราจะต้องรักษาชัยชนะของเราเอาไว้อย่าให้กลายเป็นผู้แพ้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตตันจะรกเกีะอนิเวสนโนสียาแปลว่าผู้ที่ชนะนั้นพึงรักษาชัยชนะเอาไว้้ดีอย่าปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นผู้แพ้แพ้อะไรบ้างละ่ะ แค้อารมณ์โกรธแท้อารมณ์อิจฉาลิษยาแค้ความตนีแค้ความใจแค่แค่อะไรต่ออะไรอย่างนี้แค้เพราะว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นดีเลททั้งหมดจะต้องกำหนดจิตใจเอาไว้ให้ดีไม่ปล่อยให้เรื่องไม่ดีเหล่านี้มาครอบนงนจิตใจทำได้อย่างนี้ชื่อว่ารักษาชัยชนะของตัวเองไว้ได้ ไม่ปล่อยให้เป็นคนขี้แค้แก่อำนาจกลมเกลียดทั้งหลายฉนั้นมื่ตั้งใจจะไปทอดกรถิ่นจะไปทอดท้อป่าอย่าเลิกล้มปั่นตั้งใจตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนันเดือนเป็นท่านเทศกาลทอดกรถิ่นท่านสาธุชนก็จะพาคณะไปทอดกรถิ่นกันแต่ตอนนี้เท่าทีฟังข่าวดี ไปทอดกระถินกันมากที่สุดคุณโยมทราบไหมยก็ไปทอดที่ไหนต้องตอบในใจเชื่จะตรงจะตรงไหมเขาได้ทำการวิเคราะห์กันว่าทอดกระถินปีนี้คนจะไปมากที่สุดก็คือที่คันชนโนธจะไปแถวเมืองพยานนาคหรือ ว, วัดต่างๆ แ, แถวนั้นจองกระถินเันเพียบหมดเลยอากันไปที่นั่นเป็นส่วนใหญ่ ตั้งใจจะเปกราบไหว้พยานะโดยส่วนใจก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปไกลทิศหนั่นนักโยว่ดไปยูโรงใกล้ๆเลยแะขอยหมาถึงก็แล้วกันขอยถึงก็แล้วกันส่วนใหญ่ก็จะมากันไม่ถึงนี่ก็พูดถึงความตั้งใจมีความตั้งใจใดๆมีความดีใดๆรักษาความตั้งใจดีเข้าไว้รักษาความดีเข้าไว้ ให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเข็นเกลือนั้นมีความเข็มมาตั้งแต่โ บ, ร, บราณมาจนถึงปัจจุบันเกลือก็ยังเข็มเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเกลือสมุทรสาครเกลือสมุทรสงครามเกลือเมืองเพชรมีความเข็มเหมือนเดิมเลทีเดียวท่านสาธุชนก็เช่นเดียวกันจะต้องตั้งใจรักษาความดีเอาไว้ พิจารณาดาูความดีในตัวของเราีเคยดีอย่างไรบ้างเช่นฝึกเป็นคนใจเย็ยนมีความสงบสงบมาได้ตรง g นานแม้จะมีอะไรมากระทบเราก็จะเผลอตัวกลายเป็นคนใจร้อนกลายเป็นคนมู่หวางกลายเป็นคนใจา ป, ปากร้ายใจหยาบมากรักอยากเป็นอย่างนั้นรักษาความดีของเราเอาไว้ มีบางคนก่อเรื่องที่ไม่เป็นเองเพราะคาพูดมากระทบหูพูดคำหยาบช้าพูดคำที่ไม่น่าฟังอีกคนหนึ่งก็ทนไม่ได้เกิดบันดานโทสังวิ่งเข้าไปในบ้านถือมีดมาฟันคอคน น, าานั้นก็ตายทันแล้วตัวเองก็ติดคุกนี่ก็เรียกบันดานโทสังฉะนั้นความดีถ้ามีมาก มันจะเป็นตัวปร้องกันเรื่องไร้ายๆทั้งหลายที่มันกระทบเราเมื่อมากระทบแล้วความดีก็รักได้สู้ได้ให้ยากุลบท่านสาธุชนเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องที่ไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นใจนิสัยจิตใจของเราเมื่อเรื่องที่ไม่ดีมีอยู่ขีใจมันก็บรรดาลกั้งตั่งทาใหดพูดทำให้การการกระทําของเราไม่ดี มีปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเนยเขามีจิตเมตตาปราถนาดีต่อเราเนี่ยมาบอกให้เราฟังว่าคุณอย่าพูดอย่างนั้นนะมันไม่น่าฟังอย่าทำอย่างนั้นนะมันไม่น่าดูอยากคิดอย่างนี้นะมันไม่สร้างสรรค์มีใครผู้ใดก็าตามเขามาแนะนำทำนองนี้เราจะต้องขอบคุณเขา ผู้ใดปฏิบัติเช่นนี้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นอุเทศคาถ า, าที่นำมาเป็นหัวข้อนเิเว้นต้นวันนิทีนันวัประวัตตารังเป็นต้นซึ่งแปลความว่าผู้มีปัญญาพึงคบบันญิตซึ่งมีเปกติชี้โทษบอกโทษว่าไอ้นี่ไม่ดีนะไอ้นั่นผิดนะ แล้วก็โจท์ขานให้เห็นถึงความบุกรองว่าบุคคลเช่นนั้นเหมือนกับผู้ชี้ขุมสักคนมีปัญญาเนี่ยต้องพบท่าสมาคมกับผู้มีน้ำใจเช่นนี้เมื่อคบกับคนเช่นนี้ชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเสียโดยประการใดด้วยเหตุ น, นี้พอออกพรรษาวันนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้พระพิสุทธิสมทาการประวารณาวันนี้จึงเรียกันว่าวันปวนาปรณาปวารณานี้แปลว่าอะไรปรวัวารณในีภาษาบาลีท่านแปลว่าเปิดใจความหมายก็คือว่ายอมให้มีผู้ว่ากล่าวตัดเตือน เมื่อเห็นว่าตัวเองมีข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆประการใดขอให้ผู้มีน้ำใจช่วยว่าตา่าตักเตือนด้วยเถิดนวันนี้พระเจะประพฤตินอย่างดีพอถึงเวลาบ่ายสามโมงก็จะเข้าสู่พระโบสถ์พระสมในสำนักวัดประยุรวงสาวาตโดยการปกครองของพระเดชระคุณท่านจะคุณพระพรมบัณฑิตท่านจะคุณเจ้าวาด ท่านก็จะประชุมสงฆ์ละพระสงฆ์ก็ไปพร้อมกันในองค์ไปพร้อมกันเบื้องต้นก็ล้างใจด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นและรึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจากนั้นแล้วท่านก็จะทําสังฆกรรมประเภทนะสังฆกรรมนี้พระมีนทําเป็นประจำทุกกลืนเดือนหรือสิ้นเดือน ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าละลงพระปฏติโมคือลงฟังพระปติโมคแต่มีทราเปริเรศรูปหนึ่งที่ทรงจางพระปฏติโมคเนี่ยท่านนั่งบทธรรมะและก็สวดปฏติโมคคือข้อประพฤติปฏิบัติของพระอันเป็นส่วนของสิน2สองอยี่สิบเจ็ดขาบทใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีพระจะนั่งฟัง ที่นั่งฟังก็คือนั่งฟังพระเตือนพระที่อยู่บนธรรมาะเนี่ยท่านสวดเตือนพระที่อยู่ข้างล่างเตือนให้รู้ว่าเนี่ยสิทธาบทที่พระพุทธเจ้ากาหนดให้เราประรพฤติปฏิบัติเป็นข้อบังคับเป็นคันรองของพระพิสุทธิธสมจะต้องรธประพฤติปฏิบัติเรียกกันว่าพระวินัยเนี่ยสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อพระที่นั่งอยู่ข้างล่างก็ต้องนั่งฟังตั้งใจฟัง ฟังก็คือฟังคำเตือนขององค์ที่ทรงจำพระปาติโม่ท่านยกสีถาบทขึ้นมาสวเดเตือนพวกเราทั้งหลายนี่มีการเตือนเตือนเป็นประจำทุกเึ่นเดือนทุกสิ้นเดือนก็เตือนกันอย่างนี้แต่ยังไม่พอพอถึงวันนี้ไม่ต้องมีการสวดพระปาติโม่ไม่ต้องเป็นสังฆกรรมแบบนั้นแต่เป็นสังฆกรรมอีกประเภทหนึ่ง คือเป็นจิตของสงฆ์เป็นงานของสงฆ์ที่จะต้องลงมาร่วมกันถังพร้อมๆกันจะขาดไปได้จะมีข้อยักเว้นเฉพาะพระที่ป่วยหรือพระที่มีปัญหาในด้านสุขภาพแต่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะต้องลงมาสูนทรภู่สดมาปรณนากันพอทาวัดเสร็จแล้วท่านก็จะตั้งนโมตั้งนโมเสร็จแล้ว กาอาุโสที่สุดท่านก็จะเปิดโอกาสให้ผู่น้อยเตือท่านก่อนเริ่มตั้งแต่สังคังพันเตปวารมิคิเทนาวาสุเตนาวาปริสังกายาวาวันตุมังอายะสมันโตอนุกรรมปังอุปาทายะปัจสันโปตปฏิกริษานิท่านจะส่วนอย่างเนี้ย ทีนี้ญาโยมไม่ได้มีโอกาสไปร่วมสังฆทานกับพระ ก, ก็เลยไม่รู้เรื่องว่าพระไปทําอะไรกันีตยวว่าเตโยมเนี่ยพระที่ไม่รู้ภาษาบาลีก็จะไม่รู้เรื่องด้วยนะี่ว่าท่านทําอะไรกันจึงต้องมีการอธิบายกันก่อนที่วัดของอาตมาเก่อนจะทําประวรณากรรมนี้มีอธิบายกันก่อนโดยมอหมายให้ขดีพุทคุณหลวงพ่อท้านยศคุณพณระราชบาลียนันเจีิญ เป็นพระเถระที่ยผู้มีอวุโสที่สุดท่านอธิบายกันก่อนอธิบายว่าที่เราจะทําต่อไปนี้มันเป็นอย่างไรกันความหมายก็คือว่าพระที่กล่าวคํำมุตะกี้นี้แต่ละรูปเนี่ยเปิดโอกาสให้สมได้ช่วยว่าดเทาตัดติโดยกล่าวขึ้นว่าสังคําพันเตประวาเรนนีนี้ก็แปลว่าข้าแต่ประสงค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าเนี่ยขอเปิดโอกาสให้ท่านช่วยแนะนําตักเตือนข้าพเจ้าด้วยถ้าหากว่าท่านเห็นข้อบกพร่องของข้าพเจ้าจะด้วยการเห็นก็ตามได้ยินก็ตามมีความสงสัยยี่เล่นหนึ่งเรื่องใดก็ตามขอพระคุณท่านจงเมตตาปราณีกล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะได้กลับเนื้อตับตัวปราพฤติตัวเสียใหม่ เป็นการกลับกลายกลับตัวตับหางกลับตัวกลับช่วยเป็นดีเสช่ไหม่เนี่ยท่านบอกแก่กันอย่างเนี้ยความจริงโยงน่าจะทำบ้านะวันปรนนานี้กลับไปบ้านเก่าเลยบอกลูกบอกหลานว่าอา้าวมาทําปรนนากันหน่อยเถอะทําแม่นี่พอพึ่งปกห้องในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเลยเขาไม่ต้องเกรงใจแม่นะแต่จะโยงคงจะไม่ไหว ว่าเปิดโอกาสอย่างนี้รายการข อ, ขอมากเนะีนยขอทีวีข อ, วอขอโทรขอโทรศัพท์ขอไอโฟนขอรถยนขอกันยุ่งไปหมดโยกก็คงจะปวดหัวแต่ว่าทำอย่างนั้นไม่ตรงกับวราณาปวราณานี่เป็นประเพณีที่พระพุทธเจ้าทรงกาหนดขึ้นเพื่อให้พระพิสุนี่์ได้ว่ากาวตัดเตือนกันจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ คนเรามีประพฤติไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะกำลังใจไม่เท่ากันถ้ากําลังใจเท่ากันแลยความขัดแย้นในสังคมคงไม่เกิดขึ้นแต่เพราะกําลังใจคนไม่เท่ากันบางคนมีความอดทนน้อยบางคนมีคามอดทนมากบางคนมีความเสียสละน้อยบางคนมีความเสียสละมากบางคนมีปัญญาน้อยบางคนมีปัญญามาก มันไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันแล้วมันจงทำให้เกิดความรักลั่นพอเกิดความรักลั่นแล้วก็ทำให้เกิดความขัดแย้เกิดความรุนปั่นปวดขึ้นในบ้านในเมืองในสังคมฉะนั้นการพัฒนาจิตใจด้วยการปรณนาเปิดโอกาสให้ว่าล่าวตักเตือนกันแนะนำกันอะไรกันนี่แหละเป็นวิธีที่ดีที่สุด ตรงกันข้ามอยู่ด้วยกันแบบไป่ได้พูดจากันอมอันันมีอะไรก็เก็บไว้ในใจตายเป็นความสุดอัดขรุขรมีสิ่งค้างคาอยู่ในจิตใจของแต่ละันถ้าเป็นอย่างนี้จะดีได้อย่างไรไม่ดีไหมเหมือนกับพระสงฆ์ออกพรรษาแล้วรับกรถิ่นแล้วต่างฝ่ายต่างจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ ตาภูมิภาคต่างๆจะต้องจากกันไปแล้วแต่จะมีเรื่องค้างคาใจกันจะไปทางานแี้เกิดความสุขได้อย่างไรไม่มีความสุขหรอกมีแต่ความอึดอัดขัดข้องอันว่าเรื่องค้างคาใจว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะส่งผลเสียให้แก่ชีวิตทั้งในชาตินี้และในชั้นนั้น พรักสงรูปหนึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากเลยพระรูปนี้ท่านปรีวิเวกเนี่ยปฏิบัติทำตามที่ต่างๆมามากมายท่านได้พิจารณาสิ่ของตนว่าตั้งแต่บวชมาเป็นสิบสิบภรรษาแล้วไม่เคยประพฤติปกอิผิดพลาดไม่เคยทำลายสิขาบทข้อหนึ่งข้อใดให้ด่าร้อยท่านก็ให้รู้สึกดีใจ แต่เนื่องจากว่าที่ปฏิบัติธรรมที่เดินของท่านเนี่ยไม่เป็นสบายยัง่งแล้นเพราะอบ้านเมืองมันเริ่มจเจริญ ม, มีการก่อสร้างป่าก็ถูกถานถูกทําหลายท่านก็เลยตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่กลางเกาะแห่งหนึ่งเวลาจะไปกาะก็ต้องนั่งเอท่านก็ไปลงเรือรอพู้โดยสารที่เต็มก่อน ในขณะที่นั่งอยู่ในเรือว่างว่างท่านก็เลยหย่อนมือข้างหนึ่งลงไปในน้ำก็เลยรู้ว่าเออในน้ำเนี่ยมันมีตะไข่น้าเยอะนะตรงนี้นะเข้าใจว่าอาหารภูปลาคงจะสมบูรณ์ท่านก็นั่งคิดไปนิ้วก็เกี่ยวไปตะไข่น้ำเขียวๆเนี่ยซึ่งอยู่ในน้ำ โดยที่ไม่ทันรู้ตัวว่าขนาดนั้นฝีผายก็กำลังจะพายเรือออกพอดีนิ้วของท่านก็เกี่ยวกับใบตะไคร่นะขาดไปนิดนึงแต่ท่านก็ลืมไปนั่งเนเลอนดูวิมดูทิวทักนเสร็จแล้วก็เรือไปถึงเกาะท่านก็นั่งหาที่นั่งปฏิบัติธรรมจุ่ม ก, กันเกอะเห็นทำเลที่หมอะท่านก็ไปจับจอง เป็นที่นั่นปฏิบัติพระกรรมฐานอยู่บนเกาะประงาณได้ห้าปีท่านก็เกิดอาพาธเป็นมาป่วยเข้าใจว่าจะเป็นโรคมะเร็งในขณะที่ป่วยนั้นจิตของท่า น, นล้ำลึกนึกถึงชีวิตของท่านจะเจตต้นเรืยมามองดูแล้วบริสุทธิ์ผุดผงให้รู้สึกปราบรื้นปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่คนนึกไปนึกมากลับไปเห็นภาพที่ตัวเองทำที่ปแต่ไท่น้าขายตรงนั้นเองมันกลายเป็นจุดดำอยู่ในใจอยากจะหาภาพปรงอบัตสักรูปหนึ่งก็ไม่ได้ท่านก็ยรู้สึกโทมนัสขัดเกิือนหัวใจเป็นอย่างนี้อารมณ์สุดท้ายก่อนตายของท่านเป็นลักษณะอย่างนี้เรียกกันว่ามีจิตใจเศร้าหมองไม่ผองใ จะบอกระหนาผ้าไม่ว่าจะเป็นท่านไม่ว่าจะเป็นคนถ้าว่ามีจิตใจในธนองนี้เรียกกันว่ามีจิตเศร้าหมองจิตเตสังกิริเถ ท, ทุกขติปาทิกขาเมื่อจิตมีความเศร้าหมองไม่ฟ่องใสตายไปเกิดในทุกขติทุกขติก็แปลว่าเกิดไม่ดีถ้าเกิดเป็นคนก่ายจะเป็นคนมือขาดยิ้มขาดถ้าว่าเกิด ในปรโรกอาจจะไปเกิดในนรกอย่างนี้เป็นต้นจิตใจของท่านเศร้าหมองตายไปแล้วท่านไปไหนไปเกิดเป็นพยานาคอยู่กลางทะเลแห่งหนึ่งก็ล่าเห็ทนทันี้ให้รั้วเรื่องนี้พระพุทธเจ้าฝากไว้ตัวกาที่มีจิตใจเนี่ยไม่ปลอดใสเพราะมีอารมณ์ค้างคางใจอย่างหนึ่งเนี่ย จะทําให้คติของเราเนี้ไม่ดีดังเขียนฐานรูปนี้เป็นตัวอย่างฉะนั้นควรจะปรกรนากันไว้ขอโทษกันเสียลุกเห็โทษกันเสียอย่างท่านสาธุชนก็ทัานเม่ง่ายให้อภัยกันเสียเลิกแล้วต่อกันไม่จองเวงกันอะไรทั้งนี้ก็ทําให้จิตใจว่าเรามีความสบายในสังคมของพระก็กยิ่งจะต้องทำเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้น เพราะการปฏิบัติธรรมของท่านนั้นปารกใจที่บริสุทธิ์เมื่อจิตใจบริสุทธิ์การบรรลุธรรมก็จะถึงสูงสุดคือพระนิพพานได้ไง่ายเป็นนิพพานนาประมันทุกข์นันฉะนั้นท่านจึงต้องทำโอรนากนในวันนี้เพื่อให้เกิดผลดีดังชี้แจงแสดงมา เทสนาวัตสาเนในอวสานการเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระธรรมเทศนารันตนยานิภาวเวนะขอเดชะ พ, พระพุทธรัตนกําจัดทุกเจริญสุขสิริศเป็นหลักฐานขอเดชะ พ, พระธรรมรัตนกําจับผาให้เป็นสารปุถุองต้นของภยัยขอเดชะ พ, พระสันค ร, รัตนกําจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจุเกิดไข ขอเดชะพระรัตนตรัยขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเจริญวัยเจริญสีสวีสุขทุกประการขอให้ทุกท่านจงปราศจากทุกโส่งโรคภัยอุปสรรคอันตรายทั้งปวงประสงค์สิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพัน <c oughs> ทเด็นดังที่ประสงค์จงทุกประการ เทศนาปัญหาดังชี้แจงสแสดงมาพอสมสมัยในเวลาจึงขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการัชนี